ว่ามานะคืออะไรมานะก็คือความฟูแห่งจิตนะมานะจะนับอย่างหนึ่งก็ได้อันเดียวอะ่ะคือจิตมันฟูนั่นแหละเรียกว่ามานะมานะแบ่งเป็น2 อ, อย่างก็คือมานะหนึ่งยกตนสองขมผู้อื่น น, น, นะนะมานะจะแบ่งเป็น2 อ, อย่างก็ได้ลักษณะยกตัวนะยกตัวว่าดีกว่าเขาเส ม, มอเขาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือขมผู้อื่นมานะแบ่งเป็น3อย่างก็คือสําคัญว่าดีกว่าเขาสําคัญว่าเราอ่ะเสมอเขาหรือว่าเลวกว่าเขา เรามานะสามอย่างมานะสี่อย่างก็คือยังมานะให้เกิดเพราะลาบเพราะยศเพราะสรรเสริญเพราะความสุขนะได้โลกธรรมฝ่ายดีก็มีมานะมานะห้าอย่างก็คือมานะให้เกิดว่าเราเนี่ยได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โพธิภพที่น่าชอบใจก็ได้อาศัยการมมรคนห้านี่แหละทําให้มีมานะนะง่ายๆสมัยนี้ก็คือลักษณะอาศัยความที่ตัวเองรวยนะก็มีมานะหรือมานะหกอย่างก็คือ บุคคลยังมานะให้เกิดเพราะความถึงพร้อมแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจอาศัยว่าตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีสุขภาพดีใจดีเป็นตัวเนี่ยก็ยังมานะโดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งมานะส่วนมานะเจ็ดอย่างก็คือความถือตัวความดูหมิ่น ความถือตัวและความดูหมิ่นความถือตัวต่ำความถือตัวสูงความถือตัวว่าเรามั่งมีหรือว่าถือตัวผิดหรือสําคัญผิดเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ามานะเจอย่างส่วนมานะ8ดอย่างก็ได้แก่ว่าบุคคลให้ความถือตัวเกิดเพราะลาบนะถือว่าตัวเองสูงเนี่ยเพราะเพราะมีลาบนะถือตัวต่ำเพราะความเสื่อมลาบถือตัวสูงก็เพราะเกิดยศ ถือตัวต่ําก็เพราะว่าเสื่อมยศถือตัวสูงก็เพราะได้รับสรนเสริญถือตัวต่ําก็เพราะนินทาถือตัวสูงก็เพราะว่าเนี่ยได้ยศถือตัวต่ําก็ขอไปถือตัวสูงว่าได้รับความสุขถือตัวว่าต่ําก็เพราะได้รับความทุกข์ฉนั้นอาศัยโลกธรรมฝ่ายดีเนี่ยนะทำให้ถือตัวเนี่ยสูงโลกธรรมฝ่ายไม่ดีก็ถือว่าตัวเองเนี่ยต่ำเนี่ยนะได้โลกธรรมฝ่าย ฝ่ายดีก็คือได้ลาบได้ยศสรนเสริญได้รับความสุขกับองขึ้นแมี๋ยวเกินเนะี่ยพอเสื่อมลาบเสื่อมยศได้รับคํานินทาได้รับความทุกข์ก็ถือว่าตัวเองเนี่ยต่ําอันนี้เรามนต์แปดก็อาศัยโลกธรรมแปดส่วนมณต์เก็คือสําคัญว่าเราอ่ะดีกว่าคนที่ดีเสมอคนที่ดีเลวกว่าคนที่ดีหรือว่ามาณต์ถือว่าเราเนี่ยเสมอกั น, เ ส, กนเสมอกับผู้เสมอเสมอกับผู้เลว หรือว่ามาณว่าดีกว่าผู้เลวเสมอกับผู้เลวเลวกว่าผู้เลวนะคําว่าดีดีกว่าคนดีทั้งหลายก็เช่นพวกนักบวชหรือพระราชาเนี่ยเขถือว่าวันที่ดีนะดีก็สํากัดดีกว่าดีดีกว่าคนดีหรือว่าเสมอกับพวกคนดีดทั้งหลายเนี่ยเช่นเราก็ดีกว่าพระราชาทั้งหมดเราเสมอกับพระราชาทั่วไปแม้เราเนี่ยเป็นพระราชาชั้นเลวมากเลยนะสู้คนอื่นเขาไม่ได้สักอย่างไง ถ้าเสมอกันก็กลุ่มข้าราชการเนี่ยเออเราเนี่ยดีกว่าไอ้พวกทั้งนั้นทั้งหมดนะเราเนี่ยยศสูงกว่ามีซีมากกว่าเป็นต้นเนี่ยหรือว่ามันก็พบรกันนั่นแหละต่างกันตรงไหนหรือว่าเลวกว่าเนี่ยนะโอ้ยเราเนี่ยรับราชการมานานแต่ว่าเงินเดือนเราสู้คนอื่นเขาไม่ได้สักคนในเครือถือมานะว่าเราเนี่ยเลวกว่าผู้เสมอกัน ส่วนบางคนก็มานะเช่นพวกคาทาดกรรมกรทั้งหลายก็มีมานะอีกนะโอยเรามันระดับหัวหน้าเอก็พอๆกันนะขี่ข่าวเหมือนกันนะั่นแหละบางคนเราเนี่ยโอยเป็นคนงานที่ห่วยที่สุดเหมือนกันนะพวกนี้ก็มานะทั้งนั้นแหละส่วนมานะสิบอย่างก็เพราะว่ายัางมานะให้เกิดเพราะชาติเพราะโคดเนี่ย น, นะเพราะตระกูลพวกนี้ยเป็นที่ตั้งแห่งมานะทั้งนั้นเพราะฉะนนั้ความถือตัวกิริยาที่ถือตัวความเป็นผู้ถือตัวความกำเริบขึ้นเนี่ยนะ ความฟูขึ้นมาณนะดังว่าทงชยัยมาณอันประคองจิตไว้ความที่จิตใคร่ดังว่าทงยอดเห็นตานี้เรียกว่ามาณนะอันมาณที่กล่าวไปเนี่ยนะก็ให้ทําปริญญาในมาณนะนะคือยาตะปริญญาตีรณปริญญาและปหานะปริญญาส่วนยาตะปริญญาก็คือกําหนดรู้มาณดังที่กล่าวไปเนี่ยนะทั้งโดยวัตถุโดยอารมณ์โดยเหตุโดยปัจจัยของมาณเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะนี่เรียกว่ายาตะปริญญา ส่วนตีรณปริญญาเป็นไงนนรชนย่อมรู้อย่างนี้แล้วพิจารณามา n นะที่กล่าวไปนี่แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไขเ้เนี่ยนะก็เอามา n a เนี่ยมาทําตีรณปริญญาใคร่ครวญจนถึงก็รู้เหตุเกิดความดับอาศะทาอาทีนวะนิสรณะสลัดออกจากมา n นะทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่าตีรณปริญญาส่วนปหาหนาปริญญาก็คือนรชนพิจารณาอย่างนี้แล้วย่อมละ บรรเทาทําให้สิ้นให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งมานะเรียกว่าปหานะปริญญาเรียกว่าทำปริญญาแบบละจริงๆนะนะเรียกว่าทำปริญญาคือที่เป็นปหาณะปริญญาเนี่ยนะจะได้ยินว่ากำหนดรู้มา n ะเนี่ยนะฉะนั้นคำว่ากำหนดรู้มานะโดยทั่วไปเน้นที่ปหาณะปริญญากำหนดรู้แบบละแบบเรียกว่าปัดออกเลยสละออกสลัดคืนมานะเลย คำว่าพึงกําหนดรู้มานะก็คือพึงกําหนดรู้มานะด้วยปริญญาสามนี้คําว่าพึงประพฤติเว้นจากความผลุนผันอย่าผลุนผันนะไอ้ความผลุนผันเป็นยังไงก็คือความประพฤติด้วยราคะแห่งคนผู้กําหนัดความประพฤติด้วยโทสะแห่งคนขัดเคืองความประพฤติด้วยโมหะแห่งคนหลงความประพฤติมานะแห่งคนที่ผูกพันความประพฤติด้วยทิฏฐิแห่งคนที่ถือมั่น ความประพฤติด้วยอุทธะแห่งผู้ฟุ้งซ่านความประพฤติด้วยวิจิกิจฉาแห่งผู้ไม่ตกลงความประพฤติด้วยอนุสัยแห่งคนที่ถึงเรี่ยวแรงเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าความผ ล, ลุนผลันเพราะา พ, ลพลุนผลัน8แปดนะก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทธะวิจิกิจฉาและอนุสัยเรียกว่าความประพฤติผลุนผลันใครที่เป็นไปตามนี้เรียกว่าผลุนผลันทั้งนั้นแหละ คำว่าพึงเว้นจากความผลผันความว่านรชนพึงงดเ ว, เ, วเว้นเว้นเฉพาะออกสลัดออกเว้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยความผลผลันพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่พึงประพฤติไปเที่ยวผลัดเปลี่ยนอิริยาบถรักษาบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าพึงประพฤติเว้นจากความผลผันก็สรุปว่านรชนพึงออกจากความพูดเทศเนี่ยนะออกจากคาพูดที่ไม่จริงทุกอย่าง ไม่ควรทำความสเสน่หาในรูปทั้งที่เป็นภูตรูปและอุปาทายรูปกำหนดรู้มานะด้วยปริญญาสามงดเว้นจากความพลุนผลัน8อย่างคือพลุนผลันด้วยราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทะจะวิจิกิจชาและอนุสันยคาถาต่อไปว่าไม่พึงยินดีในสังขารเก่าไม่พึงทำความชอบใจในสังขารใหม่เมื่อสังขารเสื่อมไปก็ไม่พึงเศร้าโศก ไม่พึงเป็นผู้อาศัยกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องนะนะคาถานี้เป็นคาถาเรียกว่าละอย่างเดียวนะสอนให้ละอย่างเดียวคําว่าไม่พึงยินดีสังขารเก่าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วเรียกว่าสังขารเก่าเนี่ยนะเพชีวิตที่ผ่านมานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารบุคคลไม่ควรยินดีไม่ควรบ่นถึงไม่ควรติดใจซึ่งสังขารทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วด้วยสามารถแห่งตันหาและทิฏฐ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ให้พิจารณาสังขารอดีนะแต่ว่าไม่ให้พัวพันผูกพันในสังขารที่เป็นทิฐิสังขารที่เป็นอดีตเนี่ยนะคำว่าพึงละบรรเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความชอบใจความบ่นถึงความติดใจความถือความยึดถือความถือมั่นเพราะฉะนั้นก็คือไม่พึงยินดีซึ่งสังขารเก่าเนี่ยนะ ไม่ไม่อาไยอาวรณ์ไม่ละห้อยคิดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ผ่านตายเนี่ยนะคำว่าไม่พึงทําความชอบใจในสังขารใหม่ความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าสังขารใหม่ขณะนี้เนี่ยนะก็ไม่ควรทําความชอบใจพอใจความรักความกําหนัดในสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันด้วยสามารถแห่งตันหาและทิฏฐิ คือไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะอันสรุปว่าไม่พึงทําความชอบใจในสังขารใหม่เห็นไหมสรุปว่าขันอดีตก็อย่าไปเพลิดเพลินจิดใ จ, จด้วยอํานาจตันหาทิฏฐิขันปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องชอบใจด้วยตันหากับทิฏฐิ คำว่าเมื่อสังขารเสื่อมไปไม่พึงเศร้าโศกความว่าเมื่อสังขารเสื่อมไปเสียไปละไปแปรไ ป, ไปหายไปอันตรธานไปไม่พึงเศร้าโศกไม่พึงลำบากไม่พึงถือมัน่นไม่พึงร่ำไรไม่พึงทุบ อ, อกคร่ำครวญไม่พึงถึงความหลงหลเนี่ยนะอย่าไปเสียใจในตาหูจมูกลิ้นกายที่มันเสืเส่อมไปเสียไปเนี่ยนะในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะสกุลคณะอาวาสลาบยศสรรเสริญสุข จีวลดินธบาศเสน า, สนาสนักกีฬาน่ปั จ, จัยเภสัชบริการเพราะฉะนั้นอายตนะภายในอายตนะภายนอกโลกธรรมปัจใจสี่เหล่านี้ที่เสื่อมไปเสียไปละไปแปรปลุนไปหายไปอันตรธานไปเนี่ยไม่พึงเศร้าโศกไม่พึงลำบากใจไม่พึงถือมั่นไม่พึงร่ำไรไม่พึงทุบอกคร่ำครวญไม่พึงถึงความลหลงไหลเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเมื่อสังขารเสื่อมไปก็ไม่พึงเศร้าโศก ตันหาเรียกว่ากิเลสเครื่องเกี่ยวข้องนะนีตัวเกี่ยวข้องก็คือตัวตันหานั่นแหละในคําว่าไม่พึงเป็นผู้อาศัยกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องนะนีตัวตัวเครื่องเกี่ยวข้องคือตันหาก็คือราคาสราค้าอภิชากุศลมูลโลภะเนี่ยนะถามว่าเพราะเหตุไรตันหาจึงเรียกว่ากิเลสเครื่องเกี่ยวข้องก็เพราะว่าบุคคลย่อมเกี่ยวข้องเกาะเกี่ยวถือยึดมั่นถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ คติอุบัติปฏิสนธิพบสงสารวัตะด้วยตัณหาใดเหตุนั้นตัณหานั้นจึงชื่อเรียกว่ากิเลสเครื่องเกี่ยวข้องนั่นนะก็ตัวที่เกาะตัวที่เกี่ยวตัวที่ข้องอยู่นั่นแหละคําว่าไม่พึงเป็นผู้อาศัยกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องความว่าบุคคลไม่พึงเป็นผู้อาศัยตัณหาพึงละบรรเทาทําทให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งตัณหาเป็นผู้งด เวน้นเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องตันหาพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงเป็นผู้อาศัยกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องสรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วก็คือไม่พึงยินดีสังขารเก่าไม่พึงทำความชอบใจในสังขารใหม่เมื่อสังขารเสื่อมไปไม่พึงเศร้าโศกไม่พึงเป็นผู้อาศัยกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องนนะ ก็เน้นให้ละตันหาละฉันทราคาในสังขารทั้งปวงในอารมณ์ทั้งหลายคาถาต่อไปว่าเราย่อมกล่าวความกำหนัดว่าเป็นห่วงน้ําใหญ่คือเป็นโอฆาใหญ่กล่าวความว่องไวคือตันหาอาชวะว่าเป็นเครื่องปรารถนาเป็นความปรารถนากล่าวอารมณ์ว่าเป็นความหวั่นไหวกล่าวเปลือกตมคือกามว่าเป็นสภาพล่วงได้โดยยากเนี่นะ ตัวความกำหนัดตัวอาชวะตัวอารมณ์เนี่ยนะจริงๆก็เป็นชื่อของตันหาทั้งนั้นแหละเปลือกตมเนี่ยเป็นกามที่เออกามคือเปลือกตมเปลือกตมคือกามเนี่ยล่วงได้ยากภาษาริบ ท, ท่านนิเทศว่าตันหาเรียกว่าความกำหนัดนี่ย น, นะที่บอกว่าเรากล่าวความกำหนัดว่าเป็นห่วงน้ําใหญ่ก็คืออธิบายว่า เราย่อมกล่าวบอกสแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้เตื่นประกาศความกําหนัดว่าเป็นห่วงน้ําใหญ่ตันหาเรียกว่าความว่องไวถามว่าตันหามันว่องไวยังไงคิดดูมันชอบอะไรมันชอบไวหรือเปล่าหรือมันชอบช้าๆมันค่อยๆชอบอย่างนั้นไหมไม่ใช่เลยพับเดียวท่วมหัวใจเลยนะท่วมทับหมดนะครอบงํามันเกต ด, ดูความหิวมันค่อยๆหิวรึปเปล่าเห็นะของอร่อยๆมันค่อยๆชอบไหมล่ะ ไวขนาดนั้นน่ะบางทีเขาบอกว่าตัณหาเนี่ยไวก็คือทำให้เกิดปฏิสนธิในภพใหม่ได้ไวอ่ะคำว่ากล่าวความว่องไวเป็นความปรารถนาความว่าเรากล่าวบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นประกาศความว่องไวว่าเป็นความปรารถนาตัณหาเรียกว่าอารมณ์น่นะมัน ตัณหาตรงนี้เนี่ยมี3มเชื่อเลยเ น, นะตัณหาเรียกว่าความกำหนัดเรียกว่าความว่องไวเรียกว่าอารมณ์คำว่าเปลือกตมเนี่ยคือกามเป็นสภาพล่วงได้ยากความว่าเปลือกตมคือกามลมคือกามกิเลสคือกามโคลนคือกามความกังวลคือกามเนี่ยเป็นสภาพล่วงได้โดยยากก้าวล่วง <hire> ได้โดยยากข้ามได้โดยยากข้ามพ้นได้ดยาก ก้าวพ้นได้ยากล่วงเลยได้ยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเปลือกตมคือการเป็นสภาพล่วงได้โดยยากละยากข้ามยากมาเนยเหมือนกับชมสวนเนี่ยนะถามว่าออกง่ายไหมล่ะหรืออะไรที่เราชอบชอบทั้งหลายนยสิ่งที่น่าปรารถนาที่เราปรารถนาเหลือกเกินเนี่ยออกจากสิ่งนั้นอะ ย, ยาก สรุปว่าเราย่อมกล่าวความกำหนัดว่าเป็นห่วงน้ําใหญ่กล่าวความว่องไวว่าเป็นความปรารถนากล่าวอารมณ์ว่าเป็นความกําหนดเปลือกตมคือกามเป็นสภาพล่วงได้โดยยากพวกนี้เป็นเชื่อของสมุทัยสัตว์ทั้งนั้นเลยที่กล่าวหรืออัศาทะในโลกเนี่ยนะเป็นอย่างนี้จริงๆรงนั้นคาถาเป็นคาถาที่กล่าวสมุทัยสัตว์ผู้เป็นมุนีไม่ก้าวล่วงจากสัจจะ เป็นพราหมณ์ตั้งอยู่บนบกผู้นั้นสลัดสิ่งทั้งปวงผู้นั้นแหลเรากล่าวว่าเป็นผู้สงบเ น, น, นี่ยนะคำว่าเป็นมุนีไม่ก้าวล่วงจากสัจจะสัจจะก็สามอ่ะ น, นะสัจจะสามคือไม่ก้าวล่วงจากวาจาสัจจะอย่างหนึ่งไม่ก้าวล่วงจากสัมมาทิฏฐิอย่างหนึ่งไม่ก้าวล่วงจากอริย ม, มรรคมีองค์แปนะสัจจะตรงนี้ก็เน้นวาจาสัจเน้นยานสัจจะและอริยมรรคสัตเ น, น, นี่ยนะ มุนีก็คือผู้มีโมนยธรรมอย่างที่กล่าวไป